มุ่งบาผู้อยู่ใกล้กับคณะเชิดทาที่สุดกระชากดาบมาจากมือของสารเขียวตนหนึ่งทรงเสียงร้องลั่นโจนเข้ากระนำฟันชา ย, ยันสุดแรงเกิดทางเบื้องหลังเชิดทากมาเรียร้องเตือนพร้อมกันเสียงหลงชายันก็เร็วเกินเชื่อในภาวะเช่นนั้นเขาก้มวู้ขมดาบใบใหญ่ตัดอากาศเข ว, วุถากสันหลังไปไม่ถึงองค์คุลีและก่อนที่ใครจะเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปนั่นเองเก้อผู้อยู่เบื้องหลังชา ย, ยันเล็กน้อย ก็โถมก็ใส่จะาหมอผีพร้อมกระหอกในมือที่กำแน่นอย่างกระชับปรากฏเสียงดังสวบพร้อมกับเสียงร้องแหลมกองของมุมบาซึ่งพังหนักตาหลืมือทั้งสองตักกายอากาศปลายหอกอันแหลมคมของเกอเสียบจนมิดหลังทะลุออกทางด้านหน้าชายตองเหลืองผู้บ้าคลั่งไปด้วยเลือดพยาบาทและจ้องโอกาสที่จะแก้แค้นอยู่แล้วเกอกระชากหอกกลับคืนด้วยกาลังแรง แต่มันไม่สามารถจะหลุดออกไปได้ดังใจเพราะปักเข้าไปลึกมากร่างของมุมบาฉุดเก๊ะให้เซตามเข้าไปด้วยและพริบตาต่อมานั่นเองสังเขยวร่างกำยำคนหนึ่งก็เพนเข้าใส่เก๊ะอย่างรวดเร็วมีเสียงชั่วตา ม, มาอันเกิดจากคมดาบแหวดเนื้อแม่นยำและฉะับไวจนดูแทบไม่ทันอะไรเช่นนั้นสีสัะของเกะกระเด็นหลุดไปจากบาลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น เลือดแดงฉานพุ่งกระฉูดเป็นสายโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่คำเดียวทั้งทั้งที่ยังยืนกําด้ามหอกอยู่บางแรกที่สนั่นกึกก้องขึ้นคือจุดซีซีแมกนัมของชั ย, ยันซึ่งบัตรนี้อยู่ในมือของมาเรียแลอนเนียวไกลทันทีที่เห็นมันผลเข้ามาใส่เกะแต่ก็ช้าไปซะแล้วสำหรับที่จะป้องกันชีวิตชายตองเหลืองไวหัวของเขาถูกตัดขาดกระเด็นไปก่อน ลูกปือของหล่อนจึงผ่านลำกล้องเฉียดซอกคอเชษฐาเล่นเข้าเจาะทะลวงกลางใบหน้าของเจ้านักล่ามนุษย์ตนนั้นมันงายผึงทั้งยืนเราก็ถูกกระทุ้งด้วยสูงท้งต้นความชุลมุนในลักษณะตะลุมบอลก็อุบัติขึ้นในบัดนั้นสู่สู่ตะโกนบงการลั่นราวกาฟ้าผ่าวิ่งปรีนาหน้าควงหอกรงมาที่เชิฐาชยันและมาเรียผู้กำลังพละถอยบ่ายหน้าหนีไปทางปากโพรง ใต้ฐานเทวรูปมันคว้างหอกน้ำมกรปลิวมาที่กลุ่มบุคคลทั้งสามเฉียดเชิดถาไปเพียงศอกเดียวเท่านั้นดารินก บ, บุญคำผู้ซุ่มอยู่ในที่กำบังปากโพรงใต้ฐานเทวรูปมองเห็นเหตุการณ์นั้นอย่างถนัดไรเฟิลในมือของทั้งสองจึงแผดคำรามขึ้นพร้อมกันไล่เลี่ยกับเสียงปืนนัดแรกของมาเรียมันไม่มีทางพลาดเป้าหมายเลยสาหรับฝูงมนุษย์กินคนนับร้อย ที่พากันแยกเขี้ยวยิงฟันวิ่งฮือประดาหน้ากันมากวดหลังทั้งสามมาอย่างกระหายเลือดพวกที่โหร้องกวดกระชั้นชิดเข้ามาเป็นแถวหน้าเพ่นตัวลอยแล้วล้มกลิ้งระเนระนาดพร้อมกับแหกเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดลูกไรเฟิลอันมีอํานาจเจาะทะลวงสูงไม่ได้สุดสิ้นอํานาจการสังหารลงเพียงแต่คนแรกที่มันจะผ่านเท่านั้นเจ้าคนหลังๆที่เข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน พลอยถูกร้อยพวงหล่นหวบกันเป็นระนาวสูสูหลุดรอดจากเป้าหมายการยิงชุดแรกของดารินและบุญคำไปได้อย่างบุดวิดมันชงนักกึกแล้วเพ็นเข้าบังอยู่หลังโคทินอย่างฉลาดในการเอาตัวรอดส่งเสียงร้องเร่งบงการให้บริวารดาน้าเข้าไปอย่างไม่ลดละคงไม่มีมนุษย์ชาติเผ่าใดอีกแล้วในโลกที่จะบาดีเดือดกล้าเผชิญกับความตายเท่ากับสารเขียว อำนาจปืนไม่สามารถจะหยุดยั้งพวกมันจำนวนมากเหล่านั้นลงได้เลยที่ล้มก็ล้มไปที่ยังไม่ถูกยิงก็ทะยานร่าเข้ามาเชิดถาชัยยันและมาเรียวิ่งถอยหลังพลางยิงพลางเสียงปืนระเบิดที่ยิบกึกกล้องไปทั้งหุบเขาบริเวณนั้นระยะที่พวกมันไล่กวดเข้ามาอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นมันกระชั้นชิดติดพันเหลือเกินห่างกันเพียงยี่สิบเมตรเท่านั้น อำน้าปืนทั้งห้ากระบอกที่สาบวัฒะออกมามองเห็นได้ชัดว่าไม่มีทางที่จะสกัดกั้นไว้ได้อยู่มาเรียวิ่งถอยหลังกระเจิดกระเจิงสะดุดแง่หินล้มลุกคลุกคลานชายันเพนเข้าประคองปีกไว้ฉุดพาวิ่งต่อในขณะที่เศษเชษดถาสาดลูกซองกึ่งอัตโนมัติของเขาออกไปไม่ผิดอะไรกาบาับคาใบกระสุนปืนลูกปรายของลูกซองยามนี้อำนวยคุณประโยชน์ให้อย่างวิเศษสุด เพราะมันแผยรัศมีกว้างบานออกไปราวกะร่างแหหรือกระด้งโปรยปลายเป็นม่าน ก, กั้นไม่เห็นมันโกูดกระชั้นชิดเข้าได้มากกว่านั้นเขายิงโดยไม่ต้องลิงกราดปากกระบอกที่หนีบไว้เพียงเอวแล้วก็รัวนิ้วกระดิกออกไปในขณะที่อีกมือนึ่งทำหน้าที่ยัดกระสุนสำรองเพิ่มเติมเข้าไปในหลอดเก็บกระสุนใต้โครงปืนโดยไม่เสียจังหวะการยิงปากก็ร้องตะโกนสั่งดารินกบุญคําให้เร่งช่วยระดมยิงประทะไว้ แล้วเตือนให้ชายยันพามาเรียววิ่งหนีเข้าไปถึงที่มั่นโดยเร็วตนเองหันหน้าเผชิญถอยหลังพลางยิงพลางเป็นหน่วยระวังหลังแล้วชายยันผู้แทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยเพระาะมัวแต่คอยพะวงฉุดมารียวให้หนีก็กระชากแขนพัญญาสาวของนักสํารวจผู้วายชนทลาเข้ามาถึงปากโพรงถ้ำที่ดารินกบุญคํำ ม, มอบกําบังคอยอยู่ก่อนแล้วทั้งสองทำหน้าที่ยิงปะทะอย่างเร็วสุดเท่าที่จะสามารถ เหมือนเช่นเคยปฏิบัติจนชินมาแล้วในเหตุการณ์ประชันบานในทานองเดียวกันไม่ว่าจะกับคนหรือกับฝูงสัตวรร์ายมาริอเซทลาเข้าไปหมอบพังภาพอยู่ข้างดารินผู้ในขณะนี้ยังไม่มีโอกาสจะหันหน้ามาทักทายสอบถามอย่างไรทั้งสิน้นนอกจากตั้งหน้าตั้งตาบันจุและกระหน่ำยิงออกไปอย่างหายใจหายคอมไม่ทันช ย, ยันถอดเข็มขัดกระสุนปืนสั้นโยนไปให้แมมสาวทั้ง ส, งสาย ล่นตะครุบมายัางแข็งกับเวลาจัดการบรรจุกระสุนชุดใหม่แล้วช่วยยิงออกไปอย่างคนที่ชำนาญต่อเหตุการณ์ชายันเพิ่งจะมีโอกาสระเบิดไรเฟิลจุด3 7ม็หแมกนัมอันเป็นปืนของมาเรเองที่เขานำมาเป็นปืนประจำมือเมื่อเข้ามาถึงที่กำบังแล้วทุกตูนที่สนานวันไว้ออกไปพวกสางเขียวที่ควงหอกดาบวิ่งดาหน้าเข้ามาเหมือนมดปวกเหล่านั้นกระเด็นไปอย่างน่าดู ถูเข้าที่ไหนขาดสะบั้นแหลกเหลวที่นั่นเชษ่าเป็นคนสุดท้ายที่กระโจนเข้ามาถึงลูกปืนในสายเข็มขัดของเขาประมาณยี่สิกว่านัดที่ติดตัวมาด้วยเกลี้ยงชาดคนอื่นๆก็กำลังจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพราะดารินเริ่มกระชากปืนสั้นประจำตัวของหล่อนขึ้นมาแล้วส่วนตาพรานท่าบุญคำก็รองอุทธร่นนายลูกปืนบุญคากาลังจะหมดแต่พวกมันหฮเข้ามายังก้มด แบ่งเอานี่ไปเร็วใช่ยันร้องโยนลูกปืนจุดเจดห้าอันเป็นขนาดเดียวกันกับที่บุญคำใช้อยู่แบ่งไปให้ประมาณสิบนัดพรานเท่ากระดูกเหล็กตะครุบอย่างตาลีตาเหลือกขึ้นมายัดใส่ซองกระสุนโดยเร็วเช่้ท้ายเองก็ชักจุด4ี่สี่แมกนัมประจุจำตัวขึ้นมาแทนเ m เอมที่ขาดลูกลงซะแล้วยังไม่สามารถจะล้วงออกมาจากย่ามหลังได้ทันศึกแสงเขียวที่ประจันอยู่เบื้องหนะ้า ห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวยิ่งทวีหนักขึ้นทุกทีพวกมันโหร้องขู่คำรามแล้วก็วิ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเรากับพวกมันจะรู้ทันอยู่ว่าถ้าเขาประชิดตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นชัยชนะย่อมเป็นของฝ่ายมันถอยกลับขึ้นไปทางเก่าเร็วระวังลูกธนู ด, ด้วยเชฐาตะโกนสั่งการสุดเสียงเมื่อเห็นเหตุการณ์ทวีความคับขันยิ่งขึ้นทั้งห้าคนพละจากโขถินซอกหินที่กำบงัง ถอยพลางยิงพลางต่อไปอย่างไม่เป็นขบวนเหตุการณ์มันฉุกเฉินเต็มที่พวกข้างบนนุ่นหมดแต่ทุกทำอะไรกันอยู่นะทำาไรไม่ช่วยเราบ้างเลยดารินร้องขึ้นกระหืดกระหอบภายหลังยิงสางเขียวตนหนึ่งที่ล้ำปากโพรงตามติดเข้ามาคว่มเข้าเม า, าไปอีกคนหนึ่งลนหลบอยู่ข้างเคียงมาเรียผู้ซึ่งปืนในมือปะทุลั่นอยู่ทียิบไม่น้อยไปกว่ากันทุกนัด ของนักนิรุติศาสตร์เปรียกเลือดและชีวิตของสางเขียวโดยไม่เสียเปล่าเลยเช่นเดียวกับนักมานุษยวิทยาหล่อนคล้องเข็มขัดกระสุนของชายยันสะพายบ่าไว้มือหนึ่งจ้องยิงอีกมือนึงทําหน้าที่ปลดกระสุนจากเข็มขัดมาเตรียมสํารองอยามนี้มาเรียฮอกมัน่นไม่ผิดอะไรกับนางเสือดาวที่หลุดจากพันธนาการหลอนฆ่าคนได้เลือดเย็นกว่าดารินซะอีก บัดนี้เพิ่งจะเพ่นขึ้นจากการล้มลุกกลิ่งทับกันอยู่ขยินคำรามลั่นออกมาอย่างแค้นเคืองตาแดงจ้าหมุนควางเหลียวมองหาลูแต่ก็หมดหวังร่างของบุตรชายหัวหน้าเผ่ากินคนอันตรธานหายลับไปจากที่นั่นแล้วขยินได้แต่สะบดเอ็ดอึง้งหันรีหันขวางรพินมีความรู้สึกอยากจะถีบเจ้าอาดีตนายบ้านลมช้างให้ลอยจากหน้าผาลงไปข้างล่างเสลูแล้วรูรอดไป ค่าที่มันเผลอไผลปล่อยให้ฉเฉลยหลุดมือไปได้ซึ่งซึ่งหน้าทําให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่เขาก็ไม่มีโอกาสจะคิดเช่นไรได้อีกทั้งสิ้นในยามนี้เพราะเหตุคับขันเข้าได้เข้าเข็มที่อุบัติอยู่เบื้องล่างจอมพรานประทับไรเฟิลขึ้นสาตว์กระสุนลงไปกลางกลุ่มของสสงเขียวที่เฮละโลกันเป็นละลอกคลื่นโอดไล่ไฟของเชืฐาการเปิดฉากยิงของเขานั่นเองเท่ากับตื่นให้แง่ทราย เคยยินช่วยกันระดมหากระสุนลงไปอีกสองกระบอกแต่มันดูปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิงสำหรับกำลังคนจำนวนมากมายเหล่านั้นจากสายตาเท่าที่หินทั้งห้าคนฝ่ายเชิดท้าหลบหนีเข้าไปอยู่ในโพรงใต้ฐานเทวรูปลับตาไปแล้วได้ยินแต่เสียงปืนที่สาตปประดังออกมาและเบื้องนอกกำลังของสังขีเริ่มขยายปีกาโอบล้อมเทวรูปไวทุกด้าน พวกมันส่วนหนึ่งกำลังปีนบ่ายหน้าไปสกัดอย่างทางออกด้านหนึ่งอันจะเป็นทางถอยของฝ่ายเชษฐาซึ่งบัดนี้ยึดที่มั่นภายในไว้ไม่มีปัญหาบืนยาวทั้งหมดในคณะเพียงแปดกระบอกโดยภูมิประเทศอันเป็นใจกลางถิ่นของมันเช่นนี้จะไม่มีทางที่จะตรึงสถานการณ์ไว้ได้เลยไม่ผิดอะไรกับน้าน้อยและไฟมากหลายต่อหลายนั ที่เขาและเงซายขยินช่วยกันกวาดเก็บไปยังเจ้าพวกที่ขยายกำลังปีนป่ายเขาเพื่อจะอ้อมไปทางด้านหลังเทวรูปพวกมันร่ร่วงพลอยไปในทุกครั้งที่เข้าศูนย์แต่มันไม่ทนันกันกับจำนวนอันมีลักษณะเป็นกองทัพเหล่านั้นพวกมันไต่กันยัวยียจนไม่รู้จะยิงสกัดทันได้ยังไงเงใายระเบิดพรานใหญ่ร้องเตือนขึ้น เงาสายวางไรเฟ้ ล, ลงในทันทีนั้นหยิบธนูขึ้นมาผ่าสายอีกครั้งระพินขีดไลเตอร์ขึ้นยิงลงไปกลางหมู่ของพวกมันให้ห่างเทวรูปออกมาเขาสั่งแล้วจุดสายชนวนให้มันโดยเร็วพระรามเงสายขึ้นสายสอนเนียวสุดละหมายลงไปกลางกลุ่มอันหนาแน่นของพวกพรานล่ามนุษย์ที่กำลังเคลื่อนไหวอึ้งอ้นอย่างกระหายเลือดอยู่กลางลานชุมนุมพลังปล่อยออกจากแรงไป ลูกธนูติดในโตรพุ่งโดงแวกอากาศไปตามแรงส่งแล้วปักหัวลงไปยังที่หมายเบื้องล่างอย่างแม่นยำมันหายแวบลงไปกลางกลุ่มนั้นเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่แล้วไม่ถึงอึดใจก็ระเบิดขึ้นจนหน้าผาที่ยืนอยู่สะเทือนกลาวภ้าที่เห็นผงคลีและม่านควนันลอยตลบขึ้นมาพร้อมๆกับร่างกายอันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ที่กระจายว่อนไปรอบๆทิศ ส่วนพวกที่อยู่ในรัฐสมีห่างออกไปก็ลมระเนนลงกับพื้นอนุภาพของมันสักสิ์ยิ่งยงอยู่เหมือนเดิมความอลมานโกลาหนเกิดขึ้นแล้วชนเผ่าที่นับถือเทวรูปอินคาแตกคือออกไปราวกับพึ่งแตกรังพร้อมกับเสียงร้องแซ่สนันยังตกใจหวาดกลัวแซ่สนันไปทั้งลานฟังไม่ได้สับวิ่งพ่านกระจัดกระจายออกไปทุกทิศชนิดตัวใครตัวมัน ระพินยิ้มออกมาได้มองเห็นความหวังในทันทีนั้นเองเงษ า, ายไม่ได้รอช้าให้เสียจังหวะเลยพอลูกแรกระเบิดตูมก็หยิบธนูลูกที่สองขึ้นพาเตรียมพร้อมทันทีคราวนี้หมายไปที่หมู่บ้านของมันยิ่งเขาจุดชนวนอีกครั้งชั่วกั้นลมหายใจต่อมานั้นเองท่ามกลางความวุ่นวายโอลมาลของพวกมันที่พากันวิ่งกระเจิงกำป้านักกึก กลองก็ดังกรบเสียงทั้งหลายขึ้นอีกวาระหนึ่งปรากฏเปลวไฟแลบแดงโชดขึ้นที่กรุงห ม, มู่บ้านตำแหน่งที่ปลูกเรียงรายกันหนาแน่นที่สุดฝั่งตรงข้ามกับลานเทวรูปฝาแผงแฝกหลังคาใบพลวงประกอบด้วยลำไม้ไผ่้อยสูงขึ้นไปบนอากาศตามติดมาด้วยพระเพลิงที่โฮมลุกไหม้ติดบ้านเรือนอันเป็นเชื้อไฟอย่างดีและลามติดต่อกันไปอย่างรวดเร็ว คราวนี้ดูเหมือนจะร้ายกาจยิ่งกว่าลูกระเบิดลูกแรกซะอีกเสียงร้องของพวกมันดังอื้ออึงไปทั่วบนไปกับเสียงกรีดร้องของเด็กและผู้หญิงพากันวิ่งหัวซุกหัวสุนออกมาจากบริเวณหมู่บ้านที่หลบกำบังอยู่ระสำไราาเหมือนเกิดกรลียุกฟ้าถล่มโลกถลายขึ้นในความรู้สึกของพวกมันทุกคนบัดนี้เงาของหายณะวิบัติได้แล่นปกคลุมไปตลอดทั้งเผ่าของมันซะแล้ว ความตกใจฝันหนีดีฟอและคิดที่จะหนีเอาตัวรอดตามสัญชาตญาณของมนุษย์สัตว์ทั่วไปทำให้พวกมันยุติความกระเฮียนกระหือรือที่จะบุกเข้ามาขยี้คณะของเชษฐาที่ยังถูกล้อมติดอยู่ในถ้ำเล็กๆใต้ฐานเทวรูปและถอยแตกกระจายออกไปหัวสุกหัวซุนถอยกลับขึ้นมาบนหน้าผาเร็วเสียงพรานใหญ่ตะโกนโวกโวกลงมาจากหน้าผาเหนือลาน ทุกคนได้ยินอย่างถนัดและเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างดีโอกาสที่จะรอดจากความคับขันขีดสุดมีขึ้นแล้วโดยอนุภาพระเบิดจากธนูของแง่ทายทั้งหมดใจชื้นขึ้นมาในทันทีนั้นเชษฐาสั่งให้ถอยโดยเร็วตามสัญชาตยานที่ได้จากกระพินดารินกระชากแขนมาเรียพุดธลุกขึ้นวิ่งตามหลังบุญคำซึ่งนำหน้าไปก่อนหัวหน้าคณะกับชยันจ้องปืนถอยเป็นกองระวังหลัง ตามออกมายัางไม่แน่ใจนักว่าจะปลอดจากการติดตามไม่ปรากฏว่ามีพวกสารเขียวคนใดบังอาจติดตามลุกไล่คณะของเชิฐาเข้ามาทางปากโพรงถ้ำใต้ฐานเทวรูปนั่นเลยเพราะพวกมันพากันแต่ตื่นหลบหนีให้พ้นบริเวณลานและหมู่บ้านกันจ้าละวัดหมดความสนใจที่จะล้างผลาญข่นฆ่าศัตรูลงอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึง่ง ทั้งห้าคนพากันเคลื่อนย้ายโดยเร็วที่สุดตามกําลังความสามารถเท่าที่มีอยู่ถอยออกมาพ้นบริเวณฐานเทวรูปด้านหลังและตะกายไต่เนินย้อนทางเดิมวิ่งบายหน้าเพื่อกลับไปสมทบกับฝ่ายของระพินซึ่งรอคอยอย่างกระสับกระส่ายอยู่พรานใหญ่กระโดดไปยืนรับอยู่บนโขดหินลูกหนึ่งโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกนั้นเร่งไตเขาขึ้นมาโดยเร็ว บัดนี้ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องคอยพะวงระมัดระวังว่าจะมีเจ้าพวกมนุษย์ผีดิบคนใดบังอาจติดตามหรือจ้องยิงธนูขึ้นมาเลยตลอดทั้งชมรมพวกมันกำลังประสบกับความแตกตื่นอนละเวงเหลือที่จะกล่าวด้วยฤทธิเดชระเบิดไนโตรทั้งสองลูกซึ่งมีอำนาจพอที่จะหยุดยั้งความดุดดันบ้าเลือดแบบฝูงหมาป่าของมันไวได้บุญคำพ่อล้วนำหน้าขึ้นมาก่อนเป็นคนแรก เพราะความสันทัสชำนาญในการไต่เขาอันเป็นธรรมชาติของลูกป่าโดยกำเนิดของแกส่วนดารินกมามเรียนล้มลุกคลุกคลานขึ้นมาด้วยกันพอขึ้นมาถึงก็ล้มลงนอนหมอบหายใจหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจไม่สามารถจะพูดอะไรออกเชษฐากระชัยยันไต่ตามขึ้นมาถึงเป็นชุดหลังสุดขณะนั้นตะวันรับเหลี่ยมเขาขึ้นไปแล้วอากาศเริ่มขมุก ข, ขมัว ความมืดโรยตัวลงปกคลุมทุกขนแห่งอย่างรวดเร็วคงเห็นแต่แสงไฟแดงจ้าที่อาบโหหมู่บ้านสางเขียวพร้อมทั้งม่านควันหนาทึบเบื้องล่างที่บริเวณลานพิธีหน้าเทวรูปหัวเสือซึ่งกำลังสยะยแยเขี้ยวถมึงถึงอยู่บัดนี้แลลงไปเห็นความปั่นป่วนเหมือนฝูงมดแตกรังพอขึ้นมาถึงและสมทบได้กับฝ่ายที่รอคอยอยู่ก่อนแล้ว เชิฐาชัยยันก็โดดเข้าหาราพินหลุดหายไปไหนแล้วเชษดถาถามหอบหอบแทบจะฟังไม่ทูเรื่องมันได้โอกาสหนีไปเชแล้วละครับพวกคุณชัยมีใครไปไรบ้างเขาร้องตอบพลางถามจ้องไปทางดารินกบมาเรียซึ่งยังนอนพังภาพหอบหายใจอยู่ปลอดภัยเรียบร้อยยกเว้นเกื้อคนเดียวถูกมันฆ่าตายใชแล้วชัยยันเป็นคนตอบ การสูญเสียชีวิตของเกอชายตองเหลืองผู้ร่วมเป็นร่วมตายมากับคณะเป็นความสลดใจของทุกคนแต่ไม่มีใครมัวคิดอยู่ได้ในภาวะเช่นนี้ <c oughs> รีบหนีเถอะครับเราจะต้องหาทางออกไปพ้นเขตของมันก่อนจะมืดสนิทนี่ก็มืดลงเต็มที่แล้วยอมพรานบอกรีบร้อนแง่หน้ามองดูท้องฟ้าเต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายแล้วปรีดตรงเข้าไปหาหญิงสาวทั้งสองเ อ, อ่ยถามเสียงเร็วปรือ ยังพอมีกำลังไหมครับเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะครับทั้งคู่มองสุปตาเขาแล้วริมฝีปากอันแห้งผากของมาเรียก็ปรากฏรอยยิ้มอย่างทรหดน้ำเสียงแม้จะแหบก็เต็มไปได้วยความมั่นคงหนักแน่นไม่ต้องค่วงไทวันฉันยังไปไหวพร้อมกับพูดตอนส่งมือไปให้เขาระพินจับฉุดให้ลุกขึ้นยืนแล้วหันมาทางดารินส่งมืออีกข้างหนึ่งไปให้ นักมนุษยวิทยาสาวสะบัดหน้าหันไปเกาะแง่หินพยุงตัวเองลุกขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขากำลังอ่อนเปรี้ยของหล่อนนั้นดูเหมือนจะกลับคืนมาในทันทีนั้นจังหวะอันรีบด่วนแข่งกับเวลานี่เองเชษฐาเตรียมให้ทุกคนระเตรียมกระสุนปืนยาวประจมือของแต่ละคนให้พร้อมอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคชาชัยยันและดาลิน ซึ่งหมดสิ้นไปในการยิงต่อสู้เมื่อครู่นี้กระสุนสำรองความจริงก็ยังพอมีเหลืออยู่แต่มันติดอยู่ในย่ามหลังซึ่งไม่สามารถจะล้วงออกมาได้ทันในขณะประจันบาลติดพันอย่าเพิ่งไว้ใจว่าพวกมันจะไม่ตามมาเล่นงานเราอีกหัวหน้าคณะบอกอย่างรอบครอบแล้วเรียกแงาสายเข้ามาอย่าเพิ่งยิงธนูไปเพียงสองดอกเท่านั้นไม่ใช่หรอครับนายใหญ่เชิาหันไปมองดูเทวรูปอินคา ซึ่งแลทมืนปานอสูนในท่านั่งเอาหลังพิงเขากลางแสงขมุขขมัวดวงตาอันเป็นหินทั้งคู่จ้องมองทมึงถึงมาราวกับวิญญาณร้ายเข้าสิงทุกคนพากันหันไปมองอยู่ที่ภาพนั้นราวกับนัดกันไว้เป็นตาเดียวแล้วก็ชะ ง, งักงันไปเหมือนถูกสะกุดรู้สึกขนลุกชันถึงรู้สึกขนลุกชันแสดงเข้าไปถึงข้อหัวใจอย่างประหลาด ทำลายเทวรูปอุบาทนั่นะอยางให้เหลือไม่แต่ซากหัวหน้าคณะสั่งออกมาด้วยเสียงคำรามระพินจุดสายชนวนทันทีขาดเสียงเขาแงาซสายก็ยิงลูกธนูพุ่งดิงเข้าหาเทวรูปและตกลงปากโพรงใต้ฐานอย่างแม่นยำมันสั่นสะเทือนจนแผ่นดินไหวพร้อมกับเปลวไฟสว่างแดงวาบอินคาอันเป็นหินสลักท้งแท่งก็มาถึงซึ่งวาระสุดท้าย ฐานเบื้องล่างหลุดออกเป็นกระบิกระเด็นออกไปเป็นเศษหินรอบทิศแล้วตัวเทวรูปก็ล้มฟาดลงมาหักสะบั้นอยู่กลางลานที่ยังชุนละมุนจ้าละวันอยู่ด้วยพวกสางเขียวทับพวกมันบางส่วนแตกละเอียดลงไปภายใต้ท่ามกลางเสียงร้องแหลมที่ฟังไม่เป็นภาษาควันผสมกับม่านฝุ่นต ล, ลบไปทั่วบริเวณไม่ผิดอะไรกับภูเขาที่ถูกดนไม่ระเบดิดหลุดออกมาทางซี ยังไม่ทันจะสิ้นกังวานอันสทานสะเทือนนั้นระพินก็เตือนให้ทุกคนเคลื่อนจากที่โดยเร็วน้ำไตอ้อมเนินลงสู่ตีนขอบเหวกั้นระหว่างเขาสองลูกเพื่อบ่ายหน้าไปยังสะพานลอยกลางหาวอันเป็นหนทางติดต่อระหว่างทินสังเขียวกับป่านอกทั้งหมดเคลื่อนไปในลักษณะวิ่งมือกระชับไรเฟิลเตรียมพร้อมหนทางที่ผ่านไปเป็นภูเขาที่เต็ ม, มไปด้วยโขดหิน และผู้ไม้เตี้ยๆไม่รกทึบนักอากาศยิ่งมืดมัวลงไปอีกจนมองเห็นสิ่งรอบด้านได้เพียงรางๆในระยะห่างไม่เกิน2ีเก้ามาเรียล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทางเพราะหล่อนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สวมรองเท้าแล้วก็อิดโรยอ่อนเปรียกว่าทุกคนเนื่องจากสะบักสะบอมมาวันกับคืนเต็มๆชายันกระบุญคำต้องเข้าช่วยประคองปีกส่วนเชิฐาก็วิ่งตกหลุมตอนหนึง่ง ถึงกะโหลมกริ้งร้องคลางออกมาอย่างลืมตัวพอรพินกระดารินวิ่งเข้าไปช่วยกันประคองฉุดขึ้นราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะก็กัดฟันโกรธหน้านิ้วคิ้วขมวดขาผมเขากัดฟันพูดสงสัยจะแพลงใช่แล้วเส้นมันไม่ดีตั้งแต่คราวขาเจ็บครั้งนั้นพี่ใหญ่พอไปไหวไหมคะน้องสาวถามละล่ำละลักอย่างใจหาย เชษฐาใช้เท้ายันแต่แล้วก็เซเกาะไหลระพินไว้ฝืนใจบอกว่าพอไว้แต่ต้องช้าหน่อยนะจอมพรานเม้มริมฝีปากแน่นมองดูเชิฐาด้วยความเป็นห่วงเหลียวไปมองรอบๆดารินก็หันมาถามอย่างร้อนใจว่าระยะทางอีกไกลไหมกว่าจะถึงสะพานข้ามเหวนะ่ะไม่ไกลหรอกครับเอื้อมลงเอื้อมอ้อมลงเนินนี่ก็ถึงแล้ว แต่รู้สึกว่าคุณชายจะเจ็บมากเพราะซ้ำแผลเก่าถ้าอย่างไรผมคิดว่าเราหาทางหลบแถวนี้ก่อนดีกว่าเพราะไม่เพียงแต่คุณชายเท่านั้นเมก็ทำท่าจะไปไม่ไหวเหมือนกันต้องไหวหัวหน้าคณะขับมาโดยเร็วด้วยเสียงหนักแน่นเฉียบขาดฝืนยิม้มเราจะติดอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ถ้าจะพักก็หมายถึงว่าข้ามเหวไปฝั่งโนนแล้วเอาล่ะช่วยประคองผมหน่อยเดียวเท่านั้น จเชษฐาก็ขยิงออกเดินแต่แล้วก็แยกเขี้ยวตัวงอลงอีกขาข้างนั้นของเขาแตะยันพื้นก็รู้สึกเสียวปราบขึ้นในทันทีและก่อนที่ระพินหรือใครจะตัดสินใจเช่นไรในนาทีวิกฤตนี้เองร่างอันรังงานกำยำของแงซสายก็ปรากฏเข้ามาทรงคันธนูและปืนให้พรานใหญ่คุ้มตัวลงหันหลังให้หัวหน้าคณะเกาะคอแงสายไปนายใหญ่ ถูกของนายใหญ่แล้วคืนนี้เราจะติดอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้เชษฐ้าตบไหล่เจ้าคน ช, ชายชาวดงอย่างหนักหนุนไม่กล่าวคำใดอีกเลยส่งปืนให้น้องสาวเกาะของแงซายไว้ในลักษณะขี่หลังนุ่มพเนจรร่างยักษ์ก็แบกนำาลิ้วไปทั้งหมดรุดหน้าต่อไปอย่างรีบร้อนทั้งขบวนบากบันกันไปอย่างทุลัก์ทุเลครูต่อมา ทั้งคณะก็พ้นเนินต่อ น, นั้นเลียบทางไหลเหวด้านตะวันตกมองเห็นสะพานลอยของสางเขียวอันเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างป่านอกกับป่าในาเป็นเนาตะคุ่มอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักท่ามกลางเงาของแมกไม้และโขดหินอันขึ้นอยู่ระเกะระกะนั้นท่านใดนั้นเองระพินไพรวันซึ่งสาวเท้านำอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักลงอย่างกระทันหัน ทิ้งคันธนูและปืนของแง่ทรายที่ถืออยู่ในมือท้ายลงประทับปืนของตนเองที่ถืออยู่ในมือขวาขึ้นพร้อมกับร้องลัน่นระวังพวกมันดักอยู่ที่ริมสะพานนั่นไม่ทันจะขาดเสียงไรเฟิลในมือของเขาก็แผดเสียงคำรามส น, นั่นก้องขึ้นสะท้อนไปทั้งสองฝั่งเขาท่ามกลางโพล้เพลเงียบสงัดเปลวไฟแลบกระชูด จ, จากปากกระบอกมองเห็นทั น, นัด